159ผู้พ้นฝันสามจึงสามารถเรียนรู้พบสามเป็นลำดับผู้ที่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นฝันอยู่ในวงจรของโลกอดีตฝันอยู่ในวงจรของโลกอนาคตฝันอยู่ในวงจรของโลกปัจจุบันเป็นผู้ตื่นช akra าจากพระวังทั้งในขณะลืมตาและหลับตาได้ เพราะได้ปฏิบัติอย่างสาัมมาทิฏฐิตามทิฏฐิของพุทธสัมมาสมาธิต้องลืมตาปฏิบัติไปกับภาษายะตะนะหกอยู่กับชีวิตสามัญปกติในขณะทำอาชีพก็ปฏิบัติธรรมสัมมาอาชีวะได้ทําการงานทุกอย่างอยู่ก็ปฏิบัติธรรมสัมมากรรมันตาได้พูดอยู่ก็ปฏิบัติธรรมสัมมาวาจาได้ นึกคิดอะไรอยู่ก็ปฏิบัติธรรมสามมาสังกป่าได้ตามหลักสาัมมาอริยมรรคองแปดและโพธิปักิยธรรม37อันเป็นโรกุตระธรรม37พระไตรปิฎกเล่ม31ข้อห2 0ยจึงจะสามารถบรรลุความจริงไม่หลงผุดอยู่แต่ในขายพระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ชัดว่า เว็นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะคนที่ปฏิบัติตามทิฏฐิหกนั้นล้วนเข้าใจเอาเองเพราะปฏิบัติการแบบเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นอชานะต่างอปัฏสตงังจึงมีแต่ความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้นทั้งนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยนั่นเองเป็นเหตุ พระตรปิโกเล่ม9ข้อ51ถึง9กาการปฏิบัติที่ไม่มีผัสสะเป็นปจัจจัยหรือมีผัสสะเป็นปจัจจัยแต่ไม่สำ ม, มาทิฏฐิจึงเป็นผู้มีแต่ฝันไม่มีความจริงกะเขาได้สักทีผู้ไม่พ้นภพสามจึงเป็นผู้หลงวนหลงสแสวงหาสุขหาทุกข์กันอยู่ใน กามภพรูปประพบะรูปประพบอยู่เป็นผู้ไม่ตื่นไปตลอดการผู้พ้นฝันสามอดีตอนาคตปัจจุบันจึงสามารถเรียนรู้พบากามภพรูปประพบะรูปประพบเป็นลำดับได้สมบูรณ์